เป็นวันสงกรานพร้อมกันก็เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนห้าเป็นวันพระด้วยเป็นวันสงกรานด้วยในช่วงสงกรานเนี่ยลูกหลานไปทำงานจากถิ่นอื่นกลับมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมวงสาคนาญาต ใครตกทุกข์ได้ยากอย่างไรก็เป็นที่รู้กันในวันสงกรานวันปีใหม่เพราะนั้นหลวงพ่อเองก็เลยถือโอกาสปีใหม่หนึ่งปีใหม่สากลคือวันที่หนึ่งมกราแล้วก็วันวันที่13บมเมษาโดยมากตาเห็นลูกหลานมามุดน้ดรำหัวหรือว่า ม, ามาวันสงกรานเนี่ย ลงพ่อจะเน้นหนักหรือว่าพูดไปในทางให้ระลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ให้ระลึกถึงพระคุณของคุณบิดามารดาเพราะนานทีพวกเราไปอยู่ในถิ่นไกลถ้าหากว่าไม่มีไม่ได้ยินได้ฟังแล้วก็พวกเราก็หลงลืมไปเรื่อยๆพ่อแม่นั้นคือใครเพลอเผลอหลงลืมไปอีกแต่ถ้าพ่อแม่จะสอนว่าลูก ต้องระลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่นะนีเออกับเหมือนกับสอนให้ระลึกถึงบุญคุณของตนเองมันดูดูก็กระไรอยู่พ่อแม่ก็ไม่กล้าสอนเ อ, อ, อย่างที่หลวงพ่อของเหมือกนกันบอกว่าลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่มาศึกษากับหลวงพ่อนะพวกท่านทั้งหลายต้องจงรักภักดีต้องเคารพนับถือหลวงพ่อนะเพราะหลวงพ่อเป็นผู้มีพระคุณสาหรับพวกท่านนะ ลวมพ่อเองก็ไม่กล้าพูดอีกเหมือนกันสุดแท้แต่พวกเขาเหล่านั้นจะสานึกสำเนียกได้และพวกเขาจะพูดกันเองว่าอันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ให้อววาดเลือกให้คำแนะนำสั่งสอนเรานะเหมือนกับเราไปศึกษากับครูบาอาจารย์อย่างนั้นน่ะครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้เรียกร้องว่าให้นับถือเรานะให้ถือว่าเราเป็นครูเป็นอาจารย์พวกท่านทั้งหลายนะท่านก็ไม่เคยพูดอย่างนั้นเหมือนกัน หลวงพ่อไปศึกษากับครูบาอาจารย์มีแต่ท่านแนะนําสั่งสอนอย่าทําอย่างนั้นนะมันไม่ถูกนะอย่าทําอย่างนี้นะมันไม่ถูกนะเผลอเผอท่านก็นดูเอา <c oughs> ชี้นิ้วเอาก็มีว่างันกันแต่แต่เพิดก็มีเหมือนกันะจะไล่าจากวัดก็มีบางองค์คอเข้าไปแล้วทําตัวเก๊เ ก, ก๊กลางๆท่านทําไม่ดีท่านก็บอกอย่ามาอยู่ที่นี่นะหนักวัดนะอย่างนี้ก็มีแต่ท่านก็สอน าปฏิบัติอย่างนี้นะปฏิบัติศีลธรรมอย่างนี้นะศีลอย่างนี้นะสมาธิอย่างนี้นะปัญญาอย่างนี้นะต้องคิดอย่างนี้นะอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์โดยมากท่านจะสอนแนวทางปฏิบัติต่จะให้ลำลึกถึงพระคุณของท่านนั้นท่านไม่เคยไม่เคยแนะนำเข้ามาหาตัวของท่านนี้ก็เหมือนการหลวงพ่อว่าพ่อแม่แต่ละคนก็ไม่กล้าที่จะพูดหรือว่าแนะนาว่าพ่อแม่มีบุญคุณอย่างนั้นอย่างนี้นะลูกนะ ก็ไม่มีพ่อแม่คนใดที่จะพูดอย่างนั้นถ้าหากว่าพูดอย่างนั้นกน็เหมือนกับว่าตื้นเกินไปตื้นเกินไปก็เหมือนกับอยากจะให้คนอื่นระ ล, ลึกถึงพระคุณของตนเองแต่สําหรับหลวงพ่อเอ ง, ห ล, ง, อเองหลวงพ่อเนี่ยเป็นในฐานะพระสงฆ์ในฐานะพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้ศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเรื่องคุณปิดามารดา คุณบิดามาันดาเป็นสิ่งที่จาเป็นสำคัญอย่างยิ่งนะับว่าบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนคือพ่อแม่พวกเราอยู่ในฐานกะกตัญญูกะตะเวทิตาต้องระลึกถึงหรือว่าทดแทนพระคุณของท่านอันนี้เดี๋ยวบับุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนกตัญญูกะตะเวทิตาพวกเราควรจะแสดงกตัญญูอย่างไรกับพ่อแม่ของเรา เมื่อพ่อแม่ของเราเลี้ยงลูกแต่ตามไม่จริงถ้าจะว่าท่านอยากจะได้ลูกทีเดียวก็ใช่ไม่อยากจะได้ลูกทีเดียวก็ใช่แต่โลกวัตะสงสารเป็นมาอย่างนี้แต่บางคนก็อยากจะสืบทอดทายาทว่าเมื่อเรามีครูรองแล้วจะทํำยังไงถ้าอยู่ต่อไปเมื่อเท่าแก่ชลา เราจะอยู่กันอย่างไรคำว่าลูกนี่ก็คือเป็นลูกทวง เ, เป็นลูกต้มในระหว่างพ่อกับแม่ถ้าว่าไม่มีลูกการอยู่ด้วยกันก็รู้สึกว่าจะไม่หนักแน่นเหมือนกับครอบครัวที่มีลูกคำว่ามีลูกขึ้นมาก็เหมือนกับในระหว่างพ่อแม่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจครอบครัวนั่นก็จะมั่นคงขึ้นในเมื่อมีลูกขึ้นมาแล้วพ่อแม่ก็จะต้อง ดูแลประครบประงมดูแลอย่างดีเพื่อจะให้ลูกตนเองเป็นคนดีเป็นเด็กดีต่อไปก็ได้ทำการทางานที่ดีเพราะได้รับการอบรมสึ่งสั่งสอนการใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่จะต้องทุ่มเทให้อย่างสุดๆดไม่มีพ่อแม่คนใดที่จะหวงเงินหวงทรัพย์สมบัติไม่กล้าที่จะส่งลูกตัวเองให้ไปเรียนให้สู ง, สง โดยมากพ่อแม่ทั้งพ่อทั้งแม่ต้องทุ่มสุดๆเพื่อจะให้ลูกตัวเองได้รับการศึกษาจากโรงเรียนที่ดีตามทุนทรัพย์ของตนเองอันนี้ก็คือพ่อแม่เป็นผู้มีอุปการะคุณที่ทุ่มเทให้แก่ลูกนี่แหละในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่นว่าบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนพระพุทธเจ้า ของเราเมื่อท่านได้ตดรรู้ธรรมได้บรรลุธรรมได้ตดรรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าท่านยังอุตสาพยายามไปโปรดพระมารดาของท่านทั้งที่พระมารดาของท่านพระพุทธเจ้าประสูตยได้เจ็ดวันพอประสูนยได้เจ็ดวันพระมารดาของท่านก็สวรรคตตายลูกยังเล็กอยู่พระพุทธองค์ก็ยังไม่รู้ว่าอันนั้นคือใคร แต่เมื่อได้ตัดสรู้รมแล้วพวระพุทธองค์ท่านมีญานัศนะท่านรู้ได้ทางด้านจิตใจของท่านท่านภาวนาจิตใจของท่านหลุดพ้นเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็ระลึวกว่าแม่ของท่านน่ยตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนก็รู้ว่าพระมารดาของท่านตายแล้วไปอยู่เป็นเทวบุตรอยู่ชั้นดุสิตนะจากนั้นพระพุทธองค์ก็เทศนาว่าการในเมืองมนุษย์พอสมควร ในพรรษาหนึ่งท่านก็ได้ขึ้นไปอยู่ไปสวรรค์ไปโปรดพระมารดาของพระองค์ไปประทับอยู่ชั้นดาวดึงโยมมารดาก็ท่านก็ลงมาจากชั้นดุสิตมาฟังธรรมเทศนาในปีนั้นแหละพระพุทธองค์ได้แสดงธรรมเกี่ยวกับพระอภิธรรมพระอภิธรรมคือพูดเกี่ยวกับเรื่องจิตล้วนๆไม่เกี่ยวกับขันนะเพราะท่านเทศให้เทวดาฟัง เทวดา ไ, ดไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายนะพราะของท่านเป็นทริปทั้งหมดการนึกคิดเสวยความสุขด้วยการนึกคิดเทวดาแต่มนุษย์นี่เสวยความสุขเพราะการอยู่การกินการหลับการนอนอมันหยาบกว่าเทวดาเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ไปเทศโปรโดพรมันดาอยู่ชั้นดาวดึงถึงสมเดือนและจงค่อยกลับลงมาเพราะว่าพระอภิธรรมทั้งหมดใน พระไตรปิดกนั่นคือท่านโปรโดพระมารดาของพระองค์นี่แหละถ้าจะว่าไปแล้วพระพุทธเจ้าถึงท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ยังระลึกถึงพระคุณของมารดาของท่านที่ให้อุปกราระคุณคือธาตุขันธ์ร่างกายทั้งแต่หัวจดเท้าได้มาจากใครได้มาจากพ่อได้มาจากพ่อจากแม่แม่เป็นผู้ให้มาเพราะนั้นเมื่อท่านให้มาแล้วจะ เอาก้อนทุนอย่างนี้ไปทดแทนพระ อ, องค์ท่านได้อย่างไรไปทดแทนบุญคุณของท่านได้อย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกลูกทั้งหลายจะต้องคิดแต่โดยมากลูกทั้งหลายพอได้เกิดมาแล้วพ่อแม่โอ้เท่าไหร่ก็ยิ่งโอบไปหน้ามือนนะไม่ไม่มองย้อนหลังยิ่งเอาตามใจตัวเองเป็นส่วนมากโดยมากอย่างนั้นก็มีแต่บางคนก็เมื่อสานึกขึ้นมาได้แล้วเออ พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณรักเราแต่บางคนก็จนนู่นแหละจนแต่งงานขึ้นมาแล้วได้ลูกขึ้นมาแล้วลูกไม่ตามใจตัวเองจึงระลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่แต่บางคนก็สายเกินไปเสียแล้วพ่อแม่ตายไปแล้วตัวเองจึงลำลึกได้อย่างนั้นก็มีแต่บางคนก็มีอุปนิสัยเก่าพอเห็นพระคุณของพ่อแม่ เลี้ยงดูเรามาทุกยากอย่างไรพ่อเรามองเห็นเด็กๆ่มองเห็นเด็กๆลูกๆหลนานๆที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่พ่อแม่ดูแลเขาอย่างไงตัวของเราเนี่ยพ่อแม่ก็คงจะดูแลไม่แพ้ลูกหลานที่เกิดขึ้นมาใหม่คงจะเป็นอย่างนี้แน่ๆพอมองเห็นแล้วก็สํานึกได้ว่าใช่พ่อแม่เลี้ยงเราสมัยเป็นเด็กเนี่ยคงไม่แพ้ เลี้ยงลูกหลานเหล่านี้โอ้โหทุกยากลาบากเหลือเกินกว่าที่จะใหญ่ขึ้นมาได้ไม่รู้ว่าป้อนข้าวไม่รู้ว่าป้อนน้ำไม่รู้ว่าอาบ น, น้ า, ไ ม, า, นาไม่รู้ว่าดูแลก่าที่เด็กจะใหญ่ขึ้นมาได้เราก็เช่นเดียวกันไม่แพ้กันกับลูกหลานที่เกิดขึ้นมาเหล่านี้เมื่อท่านบางคนผู้มีอุปนิสัยมองเห็นอย่างนั้นก็เข้าใจว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเนะี่ยยากง่าย มากน้อยแค่ไหนฮะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องคิดเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะหลวงพ่อพูดในฐานะเป็นหลวงตานะในฐานะที่เป็นหลวงพ่อเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาสอนหรือบอกกล่าวชี้นาชี้แนะว่านี่นะอุปการคุณกระตันอยู่พวกเราควรจะกระตันอยู่นะอพ่อแม่คือ อุปภการีนะผู้มีอุปการะก่อนนะให้เรานะพวกเราจะแสดงความกตัญญูอย่างไรในเมื่อพ่อแม่ตกทุกข์ได้ยากบางคนกับพ่อแม่ลาบากเราในฐานะลูกเมื่อทำการทำงานได้แล้วพวกเราควรจะทดแทนพระคุณของท่านในเมื่อท่านมีอยู่แล้วเราก็ควรจะทนุถนอมจิตใจของท่านไม่ใช่ว่าหากล้างน้ำใจของท่าน ในเมื่อท่านเท่าแก่ชรามาแล้วเราควรจะดูแลท่านอย่างไรท่านห่างไกลมดหมอไหมสุขภาพของท่านเป็นยังไงการเป็นอยู่ของท่านเป็นยังไรความอบอุ่นทางจิตใจเป็นยังไงไม่ใช่่าต่างคนต่างอยู่พ่อแม่ก็อยู่แบบเป่าเปียวเดียวดวายว้าเหวอ้างวางเงียบเหงาเศร้าซึมอย่างนั้นก็ไม่ถูกเพราะคนแก่โดยมากจะลักษณะอย่างนั้นพอแก่เข้ามาแล้วลูกหลาน ห่างไกลสิ่งเหล่านี้พวกเราทุกๆท่านนะอย่าไปห่างเหินพ่อแม่จนเกินไปก็ไม่ถูกควรจะช่วยกันดูแลเมื่อพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ถึงพวกเราไม่ระลึกถึงไม่คิดถึงพ่อแม่แต่พ่อแม่นี่คิดถึงพวกเรานะอย่างหลวงพ่อเป็นตัวอย่างหลวงพ่อพ่อเป็นพระขึ้นมาแล้วได้สองสามพรรษาพ่อแม่ก็บอกว่าเออกูบาเ อ, อ้ จะไปภาวนาที่ไหนจะไปรักษาศีลที่ไหนก็ไปได้นะพเพราะอพี่น้องก็มีหลายคนหรอกที่จะดูแลพ่อแม่นะให้ครูบาไปตามสบายๆตามหน้าที่ของพระนหะลวงพ่อก็ได้ยินคําสั่งหรือว่าได้ยินคําพูดพ่อแม่อย่างนั้นหลวงพ่อก็ออกมาเลยออกมาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดัดถึงหกเจ็ดปีไม่เคยกลับบ้านเลยอยงนั้นเพราะพ่อแม่บอกแล้วนี่ว่าท่านมีลูกหลายคนเนะี่ะ จากนั้นพอกลับไปถึงแม่เขเลยบนก่อนเลยกั้นเฮ้ยลูกเอ้ยคูบายจริงอยู่คูบาไม่คิดถึงพ่อถึงแม่แต่พอพ่อแม่เนี่คิดถึงนะอะ่คิดถึงลูกนะถึงอย่างไงยังไงอย่างน้อยกับปีละครั้งไปยังดีที่มาเยี่ยมพ่อแม่ให้พ่อแม่ได้เห็นอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือเราไปได้ก็เราไปก็ไปได้แล้วก็ไปเรื่อยๆของเราว่างท่าน แต่ว่าผู้อยู่เบื้องหลังนะพ่อแม่และลึกถึงนะคิดถึงว่าการเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะฝากให้แก่พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเวลากลับไปถึงพอ่อถึงแม่อย่าไปเอาความทุกข์ยากลําบากไปให้ท่านถึงจะทุกข์ยากลําบากยังไงก็ตามให้เก็บไว้ในใจของเราเะก่อนอย่าไประ บ, บายให้ท่านฟังเว้นเสียแต่ว่าเราพิจารณาดูแล้วพ่อแม่พอที่จะช่วยเหลือเราได้เรายังค่อยพูดให้ท่านฟังแต่ถ้าหากว่าช่วยเหลือเราไม่ได้ เอาความทุกข์ในใจเอาความทุกข์ของเราไปให้พ่อแม่พ่อแม่ก็ยิ่งทุกข์ใจยิ่งทุกข์หนักเพราะว่าท่านเท่าแก่ชราแล้วท่านไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วเพราะท่านแก่แล้วทุกอย่างร่างกายของท่านก็แก่ทรัพย์สมบัติของท่านก็ไม่รู้จะหาจากที่ไหนมาให้ทดแทนให้ลูกอย่างนี้ทำให้ท่านทุกข์ใจเพราะนั้นเวลาเราไปหาพ่อแม่ เ, เรามีอะไร ถ้าไม่มีอะไรก็ไปกราบที่ตักของท่านท่านก็ให้ศีลให้พรแล้วงันเน่เราก็ชุ่มเย็นทางจิตใจถ้าเรามีอะไรเมื่อนับทาหน้าที่การงานแต่ตามไม่จริงเราไปนับทำการทํางานในต่างถิ่นอย่างน้อยก็ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปมอบให้แกบิดามารดาของเราถึงท่านจะมั่งมีสีสุกก็เถอะเราก็รู้ว่าท่านชอบอะไรเนเียท่าน ชอบเล่าชอบปุรีแบบอย่าเอาไปให้ท่านเอาไปเสริมให้ท่านทําให้ท่านสุขภาพย่าแย่ลงอันนั้นไม่ดีนะท่านท่านชอบอะไรอาหารการบริโภคสิ่งไหนที่ไม่ผิดศีลธรรมนะเราก็ควรจะส่งเสริมท่านอันนี้คือหน้าที่ของลูกจากนั้นก็ถามไทยถึงสุขภาพของท่านพาไปหาห ม, มอที่ไหนดูแลสุขภาพร่างกายของท่านอันนี้คือหน้าหน้าที่ของลูกทุกคนนะสิ่งเหล่านี้หลวงพ่ออยากจะฝากไว้กับ ชุมชนะสังคมลูกหลานทุกๆคนที่เป็นชาวพุทธนะหรือไม่ใช่ชาวพุทธก็เถอะเมื่อได้ยินได้ฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็คิดว่างั้นให้คิดอคือบุพภาการีของเรานั่นคือใครเราควรจะกระตันอยู่กตเวทิตาอย่างไรอันนี้ก็คือการอยู่ด้วยกันในโลกจากนั้นปะจากนั้นไปนะหลวงพ่ออยากจะเน้นอยากหนักอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเรื่องศีลธรรมส่วนตัวนะ สุนธรรมส่วนตัวคืออะไรให้เรานึกคิดไ้อยู่เสมอว่าร่างกายของเราทุกส่วนที่เราเป็นอยู่เนี่ยมีวันจุดจบนะ เ, นเพราะนั้นยาประมาทนะยาประมาทมีจุดจบวันหนึ่งข้างหน้าแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะเราเคยเห็นมามากต่วมากแล้วเราก็ไม่แพ้สิทธิท่านเหล่านั้นเพราะนั้นให้พวกเราให้เตรียมพร้อมเอาไว้ให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นคนดี สรุปแล้วให้เป็นคนดีแล้วก็ให้ภาวนาเอาไว้เมื่อเราได้ทำดีไว้แล้วถึงจะไปยังไงก็ตามถึงจุดจบลงไปแล้วตายแล้วไม่สูญพูดอย่างนั้นตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกการเกิดอีกของพวกเรานะั่นแหละจะไปเกิดนิสถัานที่ใดภูมิใดด้วยบุญด้วยกุศลตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นหลวงปู่หลวงตา ท่านภาวนาท่านเห็นแล้วว่ะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกแน่นอนสิ่งแท่้เกิดนั่นคือใจใจนั่นคืออะไรวิญญาณนามธรรมคือตัวนึกคิดนั่นแหะตัวนั้นแหะตัวที่นึกคิดจะก่อนออกมาพูดอย่างที่หลวงพ่อพูดในนี้นนก็คือนึกคิดนึกคิดจะก่อนพูดพูดพูดออกมาใช้วาจาเป็นเป็นประตูว่างั้นเป็นคําพูดออกมาแต่ว่าใจเป็นคนสั่งให้พูดอย่างนี้อย่างนี้ ไอ้ตัวที่สั่งออกมาให้พูดน่ะตัวนั้นล่ะจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆ เ, าเมื่อออกจากร่างนี้แล้วก็เป็นวิญญาณเป็นใจเป็นตัวนึกคิดนั่นแหละไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆไปเกิดทางว่ามีบุญมีกุศลก็ไปเกิดในตระกูลสูงทางว่าพวกเราทำกรรมชั่วทำกรรมไม่ดีพวกเราไปเกิดในภพภูมิต่างๆอาจจะไปตกนรก ไม่อย่างงั้นซะก่อนนะไปเป็นเปรตมีเยอะแยะเหลือเกินในหลักของพระพุทธศาสนาวิญญาณเนี่ยที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้รำด้วยจุดตูปปาตาญาณการจุดติของสัตว์เนี่ยการจุดติคือการเกิดการตายของสัตว์นั่นแหละพระพุทธเจ้ารู้ว่ามาจากไห่มาเกิดที่นี่ออกจากนี้จะไปที่ไหนวิญญาณดวงเนี้ยพระพุทธเจ้ารู้หมดนะว่าจุตูปปาตาญาณท่านได้ตัดสู้ทำสามอย่าง ในวันเดือนหกเพนน์เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในประสงค์สาวกของพระพุทธเจ้านะถ้าเรายังไม่เชื่อให้เราปฏิบัตินะเพราะพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีดดบทใดบาตรใดคาถาใดเรื่องใดที่สงวนลึกกระสีไม่มีนะพวกเราพร้อมที่จะนําแล้วก็มาประพุทธปฏิบัติดูสิเหมือนกับว่าจับไฟมันร้อนนะ ท่านก็ไม่ได้สงวนฤกษ์สิบใครจะจับก็ได้พอจับเข้าไว้ถอนมือปับ๊บเียเดียวเปนไงมันมันร้อนอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกว่ามันชั่วนะสิ่งนี้อย่าทํานะถ้าเราไปทําเข้าไปก็เราก็จะรู้ได้ทันทีออืที่พระพุทธเจ้าห้ามนะเป็นจริงจากนั้นพระพุองค์บอกว่าความนึกคิดของใจเนี่ยทําใจให้เป็นหนึ่งทําใจให้สงบต้องบังคับนะอย่าให้มันนึกคิด ให้อยู่กับกรรมฐ า, านใด ก, กรรมฐ า, านหนึ่งให้มีสติอยู่กับตัวเองนะนี่แหละการมีอยู่สติอยู่กับตัวเองนี่แหละเป็นความสุขนะถ้าจิตปล่อยให้จิตใจปุงฟงุงซ่านคิดเออเลยเหยไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดทุกนะอ่าเป็นทุกขนะถ้าจิตใจเข้ามาอยู่กับตัวเองเนะี่ยเป็นสุขนะอันนี้เราฟังโดยซิว่าเราทดลองทดสอบดูซิว่าเป็นสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวไว้ไหมนะ จิตนั้นเรบังคับเหนือให้พยายามใจอยู่กับตัวเองให้เป็นสมาธินะเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจิตใจอยู่กับตัวเองแล้วนั่นแหละคนคนนั้นจะเป็นผู้สมบูรณ์จะคิดอ่านไตรตรองเหตุผลอะไรก็คิดอ่านไตรตรองได้ดีเพราะสติอยู่กับตนเองแต่ถ้าว่าคนคิดไม่ได้คิดฝึกหัดภาวนา ไม่ได้คิดเอาสติอยู่กับตนเองเมื่อเท่าแก่ชลามมาแล้วเนะี่ยความนึกคิดทั้งหลายมันจะลามปามไปเรื่อยนะหลวงพ่อว่านะเพราะว่าใจของเราไม่เคยมีเบล็กพรา ง, งั้นแต่ไม่มีเบล็กคือไม่ได้ห้ามเอาไว้ด้วยสตินะสติไม่ได้ห้ามใจเอาไว้นะมันจะลามปามคิดไปเรื่อยเออเลยเหยลอยลมคิดไปเรื่อยผลทีสุดก็เลยหาที่จุดจบหาที่หุดจับยังไม่ได้ ว่าอะไรไม่เคยฝึกหัดทางจิตใจเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะฝึกหัดทางจิตใจนี่สำคัญสําคัญอย่างมากในหลักของพุทธศาสนาในวันนี้หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับพระคุณของบิดามารดาผู้มีอุปการะคุณถาหว่าพ่อแม่บอกว่าลูกเอ้ยให้ระลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่นะอย่างนี้มันดูกระไรอยู่มันตื่นเกินไปแต่หลวงพ่อในในฐานะพระสงฆ์นะพระสงฆ์ พร้อมที่จะแนะนําสั่งสอนลูกหลานศรัท ธ, ธาญาติโยมว่าพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านพูดอย่างนี้นะท่านตรัสอย่างนี้นะท่านชี้นาชี้แนะอย่างนี้นะให้พวกเราให้รู้จักนะปุพหะคารีนั่นคือใครพวกเราควรจะกะตันอยู่กตเวทีตาอย่างไรทดแทนพระคุณของท่านเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของหลวงพ่อจะแนะนําลูกหลานให้ระลึกถึงพระคุณ ภูมีอุปกราระคุณนะถ้าว่าพวกเราทําตัวถูกปฏิบัติถูกต้องแล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในตัวของเราก่อนจากนั้นครอบครัวของเราพ่อแม่เ พ, พื่อนฝูงของเราก็จะสงบพร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยเพราะเราปฏิบัติถูกนะถ้าเราปฏิบัติผิดอ่ะเกิดขึ้นมามีแต่ข้าใหญ่คนเดียวนะไม่เชื่อฟังใครอไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่เชื่อฟังพี่นะ้องไม่เชื่อฟังใครทั้งหมดข้าเก่งคนเดียว อีกเป็นอานเก่งไปเกียงมาไม่มีพักมีพวกผัวนิสุทธิ์ก็ทกรรมชั่วทําสิ่งที่ไม่ดีข้อนั้นะไปอยู่ในคุกในตารางนั่นแหละจึงจะสํานึกหน่ยบางคนสํานึกไม่ได้อีกต่างหากเพราตัวเองถูกอยู่ตลอดเพรางั้นแต่เพราะเหตุอะไรเพราะว่าใจของเขาไม่ได้ฝึกหัดไม่ได้อบรมที่ดีไม่ได้นึกถึงาใจเขาใจเราไม่ได้นึกให้รอบทิศตอบด้านไม่ได้มอง เขาไม่ได้มองเราไม่ได้มองดีไม่ได้มองชั่วตามไม่จริงการเป็นอยู่ของมนุษยชาติต้องมองนะมองให้ไกลมองให้รอบร้านมองให้รอบทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเราจริตจะวางตัวถูกว่าเราควรจะอยู่ในสถานะไหนนะถ้าเราวางตัวถูกแล้วนะความสงบรล่มเย็นเป็นถูกก็จะเกิดขึ้นในตัวของเรานะวันนี้หลวงพ่อในให้แนวความคิดสาหรับพวกเราทุกๆกท่านนะ อตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมธนาให้พรให้พรปีใหม่นะเอเมื่อวานเป็นวันสงกรานเป็นวันเริ่มส ก, กราชใหม่นะปีนี้เป็นวันใหม่ปีใหม่แท้ๆล่ะปีนี้นะเอปีใหม่ปีใหม่ไทยของเราว่าง<ม>ั้นแต่วันที่สิบสี่วันที่สิบสี่เมษาถ้าจะว่าไปละวันนี้เป็นวันที่ศูญเสียของหลวงพ่อยิ่งใหญ่เหมือนกันณนะ์วันนี้นะเพราะเหตุไร พ่อหลวงพ่อนโยมแม่ของหลวงพ่อป่วยหลวงพ่อออกมาไว้ที่วัดเนี่แหละวันนี้เป็นวันที่โยมแม่ของหลวงพ่อเสียนะวันนี้นะวันที่สิบสี่เมษาเนี่ยเป็นวันฉูญเสียของหลวงพ่อเหมือนกันบ<ก>ุพการีว่างั้นแต่แต่หลวงพ่อก็ทําดีที่สุดนะดูแลแม่ดีที่สุดนะอแล้วก็เผาท่านประชุมเพลิงท่านเสร็จแล้วก็อนนะเก็บกระดูกไว้ที่วัดของหลวงพ่อนะวันนี้หลวงพ่อก็ระลึกถึงเหมือนกัน บุญกุศลที่หลวงพ่อได้ทํามามากน้อยบุญกุศลก็ขอให้อุทิศส่วนกุศลถึงโยมมันดาโยมบิดามารดาที่ท่านมีอุปการคุณสําหรับหลวงพ่อท่านวิญญาณของท่านอยู่ณนทะิณใดที่ใดก็ขอให้รับส่วนบุญส่วนกุศลแต่หลวงพ่อก็มั่นใจว่าโยมแม่ของหลวงพ่อเนี่ยปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมนะมีศีลห้ามาตั้งแต่นมนานแล้วก็ภาวนาอีกต่างหาก เป็นลูกศิศหลวงปู่ล่าอีกต่างหากหลวงพ่อก็คิดว่าถ้าว่ายโยมพ่อยมแม่ไม่ได้ไปสู่สุกติแล้วก็ยากเหมือนกันแต่ก็ไปกล้าที่จะฟันธงอย่างนั้นเหมือนกันทําไมจะไม่กล้าฟันธงอย่างนั้นพราะขณะที่ใจท่านจะขาดนั่นที่ใจจะออกจากร่างท่านคิดอย่างไรไม่มีใครที่จะรู้ได้ในจุดนั้นขนาดพระยาธรรมโศกราติท่านสร้างบา ร, รมีมามากตัวมาก พอใจท่านจะขาดหรือว่าใจท่านจะหลุดออกจากล่างนี่ยท่านโมโหโทสั ว, ว่าบริษัทบริวารเเสนาอํามาตทั้งหลายไม่ฟังคําของท่านพอตายไปด้วยความโกรธเท่านั้นเลยไปเป็นงูนะเกิดไปเป็นงูเลยนั่นนหะอันนี้คือท่านยังว่าให้เตรียมตัวไว้ให้ภาวนาเอาไว้ทําใจให้สบายเอาไว้ในจุดที่ใจจะขาดนะพยายามปล่อยวางค่ะ ปล่อยวางให้ระ ล, ลึกถึงคุณงามความดีเท่านั้นอันนี้หลวงพ่อก็เลยไม่กล้าพูดเหมือนกันว่าทุกวิญญาณจะไปดีทั้งหมดเมื่อสั่งสมคุณงามความดีแต่บางครั้งอารมณ์นั้นเข้ามาหาแล้วก็เป๋ไปเหมือนกันนะเพราะนั้นให้พวกเราฝึกเอาไว้เหมือนกันในจุดนี้ภาวนาเท่านั้นจะช่วยให้พวกเราทําใจให้นิ่งทําใจให้สบายทําใจให้ปล่อยวางทําใจให้เป็นกุศล น, นะ หาตอนนี้ไปรับพอรอนุโมทนาให้พร